5 4 3 2 1ยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมารบปุญณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆวันรายการธรรมารบบุลณก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในเวลาเช้าๆอย่างนี้ในช่วงนี้ก็จะมีอาตมาพระไพะบูลอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็จะมาเป็นผู้ที่แสดงปาฏถาคุยเรื่องธรรมะ ให้กับท่านผู้ฟังตั้งหลายฝั่งในเวลาเช้าๆ้าอย่างนี้ถ้าเปลว่าท่านทั้งหลายได้มีโอกาสที่จะทำสมาธิไปด้วยแล้วก็ฟังธรรมะไปด้วยก็จะเป็นการดีเลยจีเดียวจิตของเราให้เป็นจิตที่เป็นหนึ่งจิตที่เป็นหนึ่งนี้หมายถึงการที่เรามามีสติสังเกตอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออก การปฏิบัติมันไม่ได้ยากอะไรแค่เรามีสติจิตจะสงบหรือไม่สงบไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราทำถูกต้องจิตของเราก็จะสงบไปได้เองจิตสงบในที่นี้เราก็วัดจากการที่จิตของเรานั้นไม่วุ่นวี่วุ่นวายคือความสงบหรือความเบาสบายเนี่ยเราต้องรู้ได้ด้วยตัวเองเวลามันคิดฟุง้งซ่านนั่นนี่ได้คิดเรื่องอดีตอนาคตเดีคิดเรื่องคนนั้นคนนี้อันนี้คือ ผิดฟงชาญละมีการปรุงแต่งละหรือว่าถ้าเราได้ยินเสียงนี้ได้เริ่มจีมีเสียงรถเสียงสัตว์ร้องเสียงไก่ขานเสียงดนตรีแล้วมีการปรุงแต่งต่อเนื่องว่าโอเดรชั่นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แน่เลยอันนี้คือมีการฟงชันละหรือว่าเรามีอาการเจ็บปวดต่างๆในกายสักอันใดอันหนึ่งมีการปรุงแต่งต่อว่าโอเดรชั่นจะตายไหมฉันต้องเป็นโรคไอ้นี่แน่เลยต้องเกิดจากผลอย่างนี้สงสัยพรากินอันนั้น ก็ปรุงแต่งไปละแต่ถ้าจิตของเราเป็นจิตที่ไม่คิดไปในภายนอกไม่ฟุ้งซ่านไปในอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วถามว่าจิตเนี่ยมันต้องมีที่อยู่ถ้าไม่มีที่อยู่ให้เขาเนี่ยเขาก็จะไปไปซ้ายไปขวาหน้าหลังบนล่างมันไปหมดเอาแค่ว่าตอนนี้เราบอกว่าคุณฟังอยู่ที่ไหนถ้าคุณฟังอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คุณคิดถึงดวงจันทร์ คุณที่ถึงดวงจันทร์เมื่อไหร่จิตคุณไปดวงจันทร์เลยนะเพราะว่าจิตเนี่ยมันไวขนาดนั้นขณะเดียวกันถ้าจิตเรามีที่อยู่ที่อยู่ในที่นี้พระพุทธเจ้าใช้คําว่ามิหารธรรมมิหารธรรมเครื่องอยู่มิหารธรรมเครื่องอยู่เนี่ยเหมือนกับบ้านนี่แหละบ้านเนี่ยเวลาเราไปไหนไปเที่ยวต่างจังหวัดไปทํางานตอนเช้าไปโรงเรียนเรียนหนังสือไปทํากิจการงานอะไรเช่นอย่างใดอย่างหนึ่ง เราก็กลับมาที่บ้านอยู่เรื่อยๆบ้านเราเนี่ยจึงเป็นที่อยู่ของเราจิตของเราก็เหมือนกันจะต้องมีที่อยู่ให้จิตเขาพระพุทธเจ้าก็ให้เครื่องอยู่ที่อยู่วิหารธรรมอันนี้ไว้หลายอย่างมากส่วนที่บอกมากที่สุดก็ใช้กายของเรานี่แหละเป็นเครื่องอยู่กายในที่นี้คืออะไรก็คือลมหายใจของเรานั่นเองลมหายใจก็คือกายอย่างหนึ่งกายเนี่ยมันมีหลายส่วน แขนก็เป็นกายนิ้วก็เป็นกายหัวใจเราก็เป็นกายตับเราก็เป็นกายสมองเราก็เป็นกายกระดูกเราก็เป็นกายลมหายใจของเราก็เป็นกายเหมือนกันลมไม่ใ่ที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่คือต้องทำความเข้าใจในขณะที่ท่านทั้งหลายกำลังสังเกตลมหายใจนี้ไปด้วยว่าอากาศที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยอากาศที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยก็คืออากาศจะ ม, มีองค์ประกรอบของส่วนที่เป็นอากาศอยู่ อาจจะมีไฮโดรเจนมีออกซิเจนมีไนโตรเจนอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่มันมีการเคลื่อนที่ไปการเคลื่อนที่ไปของเขาเนี่ยคือลมจะเป็นลมละลมพัดขึ้นเบื้องบนลมไปเหนือลมใต้ลมที่พัดให้เราเย็นๆนี่แหละก็คือลมเหมือนกันหมดลมนี้ถ้าเปลือเคลื่อนเข้าไปในจมูกเคลื่อนเข้าไปในโพรงจมูกก็จะเป็นลมหายใจเข้าเคลื่อนออกมาจากโพรงจมูกก็จะเป็นลมหายใจออก ลมหายใจที่กำลังเคลื่อนไปเนี่ยมันจะต้องไปกระทบส่วนใดส่วนหนึ่งในโพรงจมูกการกระทบตรงนี้จะเกิดสัมผัสขึ้นกับโพรงจมูกโพรงจมูกก็คือส่วนที่เป็นทางเข้าของลมนะทางเข้าทางออกตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าปาริมุขขังเป็นมุขเนี่ยเหมือนบ้านเราเนี่ยมีมุขอาคารสถานที่สถานที่ราชการเนี่ยบางทีก็ทาเป็นมุขยื่นออกมา มุกตรงนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ว่าตรงนี้เป็นทางเข้าออกนะหรือว่าทําเพื่อความสวยงามนะตรงนี้นะเป็นส่วนที่รถจะเข้ามาจอดได้แล้วก็ไม่โดนฝนไม่โดนแดดคุณเข้าออกได้สบายเป็นมุกตรงนี้มุกก็คือทางเข้าออก น, นั่นเองทางเข้าออกตรงนี้ก็คือทางเข้าออกของลมหายใจที่ใช้พระพุทธเจ้าใช้คําว่าปริมุกขังนันคือดํารงสติไว้เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าตรงนี้คือทางเข้าออกของลมหายใจมุกนี้ เพราะฉะนั้นทางเข้าออกของลมหายใจคืออะไรก็จะมุกทั้งแท่งนั่นแหละนะเอานิ้วเนี่ยนิ้วก้อยก็ได้เล็กๆหน่อยเสียบเข้าไปในจมูกโดนตรงไหนนั่นแหละคือส่วนที่เป็นทางเข้าออกของลมหายใจต้องระวังนิดนึงอย่าเสียบเข้าไปลึกมากเอาแค่พอประมาณแตะๆดูก็เอาตรงนั้นหรือว่าเราเอาจุดที่สัมผัสรับรู้ถึงกลิ่นก็ได้เวลาเราดมกลิ่นอาหารดมกลิ่นดอกไม้ดมกลิ่นของหอ ม, ห, อมหรือของเหม็นเนี่ย เราไปรู้ถึงกลิ่นตรงไหนเราสัมผัสได้ถึงกลิ่นตรงไห น, นเอาตรงนั้นก็ได้ที่เราจะเอาจิตของเราเนี่ยเอาไว้เอาไว้เพื่ออะไรไว้เพื่อรู้ถึงสัมผัสที่มันเกิดการกระทบผ่านเข้าออกอยู่ลมผ่านเข้าใช่ไหมจะมีการกระทบของลมกับโพรงจมูกกระทบตรงไหนเอาจิตของเราจ่อไว้ตรงนั้นหรือเอาจิตของเราไว้ตรงที่รับรู้ถึงกลิ่นก็ได้ทําได้ตอนนี้เลยแต่ต่อให้คุณทํากับข้าวอยู่ คุณฟังในขณะที่เดินทางอยู่คุณฟังในขณะที่ออกกําลังกายอยู่คุณฟังในขณะที่นอนอยู่หรือคุณฟังในขณะที่เดินอยู่ทําอะไรอยู่ก็ได้รู้ได้ทันทีพูดอยู่ก็ยังรู้ได้เลยเพราะว่าลมหายใจของเรามีอยู่ตลอดเวลาแล้วมันไม่ใช่เฉพาะจงังหวะลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะมีหมอท่านหนึ่งเป็นตันตแพทย์มาถามมาตรามาว่าเอ้ะระหว่างที่ลมหายใจมันหายใจเข้านี่นะเราจะรู้ถึงสัมผัสใช่ไหมแล้วลมหายใจออก หายใจออกไปเนี่ยเรารับรู้ถึงสัมผัสใช่ไหมแล้วถ้าจังหวะที่ระหว่างลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกมันจะเปลี่ยนจังหวะกันเนี่ยมันจะมีจังหวะหยุดอยู่นิดนึงตรงเนี้ยตรงนี้แล้วผมจะเอาจิตไว้ที่ไหนเขาถามอย่างนี้ช่วงนี้ก็คือจิตก็วิ่งไปแล้วหรอไม่ใช่เราเอาไว้ที่ตำแหน่งเดิมหรือว่าขณะที่คุณดำน้ําก็ไดนะ้ถ้าคุณดำน้ําเนี่ยมันไม่หายใจนะไม่มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วทํำยังไงก็เอาไว้ที่ตำแหน่งเดิมปริมุก ข, ขัง คือทางเข้าออกก็ตำแหน่งที่สัมผัสกลิ่นก็ได้หรือตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงลมหายใจสัมผัสของลมหายใจครั้งล่าสุดบางคนเนี่ยปฏิบัติไปแล้วก็ลมหายใจเบาเบาเบาในที่นี้คือแทบจะสัมผัสไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าไม่มีหายใจหายใจอยู่ น, นั่นแหละมัน ก, ก็ตายแล้วแต่ว่าก็จะต้องสัมผัสของมันเนี่ยบางทีมันละเอียดมากลเล็กมากเหมือนอย่างเวลาที่เราเห็นแสงเลเซอร์ เวลาที่เขายิงไปเนี่ยเล็กมากมีความเข้มข้นสูงมากยิ่งเล็กเท่าไหร่เนี่ยยิ่งมีพลังสูงหรือแสงที่เขารวมจากแว่นขยายเนี่ยถ้ายิ่งเล็กมากนะปรับจุดรวมแสงเนี่ยให้เล็กนิดเดียวเนี่ยยิ่งมีกําลังมากเหมือนกันเวลาเราสังเกตลรรมใบชัยถ้าจุดยิ่งเล็กสัมผัสน้อยนิดเดียวนั่นนะนะยิ่งมีกําลังมากแต่เราไม่ใช่บงังคับเอามันก็จะค่อยเป็นจังหวะตามการทําสมาธิ เหมือนเวลาเราปรับแว่นขยายเนี่ยเวลาเราไปส่องกับแสงแดดใช่ไหมมันก็จะมีการรวมแสงคือแสงส่องผ่านมาด้านหน้ามันก็จะไปรวมแสงด้านหลังแต่เราต้องมีการปรับจุดรวมแสงให้ดีจุดรวมแสงตรงนี้แหละต้องมีการปรับเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการฝึกจิตของเราเหมือนกันจิตของเราจะต้องฝึกให้ เ, açık, เราจะวางจิตของเราไว้ตรงไหนเนาะจิตในที่นี้คือการรับรู้เราจะเอารับรู้ของเราเนี่ยไว้ตรงไหนเนาะ ที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยสงบเป็นสมาธิเอาไว้ที่หูได้ไหมฟังท่านอาจารย์เทศอยู่หรือเอาไว้ที่ไหนดีคำตอบคือเอาไว้ที่จิตของเราเอาไว้ที่สัมผัสที่เกิดขึ้นจากการกระทบของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกอยู่อย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงไม่ต้องตามลมพระพุทธเจ้าเคยอุปมาอุปไมยเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกับช่างกลึงในช่างกลึงเนี่ยเขาจะมี เชือกชักทำไมก่อนกลึงกลึงีจะมีเชือกชักแต่ที่ชักให้ชิ้นงานเนี่ยมันหมุนหมุนไปเนี่ยเพื่อที่จะมันโดนกับใบมีดในเพื่อที่จะกลึงชิ้นงานได้ตามที่เขาประสงค์เชือกชักตรงนี้เขาจะชักเชือกให้สั้นให้ยาวตามจังหวะการกลึงของเขาถ้าเขาชักเชือกกลึงยาวเขาก็จะทราบจังกลึงเนี่ยนะชักเชือกกลึงสั้นเขาก็จะต้องทราบ เหมือนการเวลาเราสังเกตลมหายใจลมหายใจออกยาวเข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นเราต้องทราบเครื่องกลึงสมัยใหม่เนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าระบบมอเตอร์ก็จะต้องมีการปรับความเร็วให้มันเร็วมากช้ามากหรือว่ามีการเร่งตามจังหวะที่เขาจะต้องกลึงเป็นเทคนิคการกลึงที่เขาในช่างกลึงจะต้องมีเวลาที่เขาเกลึงชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นเครื่องกลึงสมัยใหม่หรือเครื่องกลึงสมัยเก่า จุดที่นายช่างกลึงจะต้องสังเกตอยู่ตลอดเวลาไม่เอาตาออกห่างเลยนั่นคือจุดที่ชิ้นงานสัมผัสกับใบมีดสัมผัสกันตรงไหนเอาตรงนั้นก็จะต้องจดจ่ออยู่ที่ชิ้นงานตรงนี้น أن, อาจจะไปดูแบบบ้างว่าต้องกลึงตร ง, ตรงนี้ตรงนี้ต้องหยุดแล้วแต่จิตของเขาตาของเขาการรับรู้ของเขานนั้นจะต้องมาอยู่ที่จุดสัมผัสจะไปมองเชื่อกกลึงไม่ได้เลยจะไปมองปุ่มกดปรับความเร็วช้าเร็วไม่ได้เลยแต่ว่ารู้นะแต่ไม่ได้มอง ไม่ได้ตามไปตรงนั้นแต่มาอยู่ที่สัมผัสระหว่างใบมีดกับชิ้นงานเหมือนกันเวลาเราสังเกตลมหายใจเนี่ยเราไม่ได้ตามลมเข้าไม่ได้ตามลมออกไม่ได้ตามลมเข้าจนไปถึงอกถึงท้องถึงกระบังลมถึงท้องไปทั่วตัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ตามลมออกมาจากท้องถึงอกถึงปลายจมูกถึงข้างนอกไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ให้รู้ถึงจุดเดียวที่มีการสัมผัสของลมหายใจ โร่งจมูกรู้ได้ที่ตรงไหนเอาจิตของเราไว้ที่ตรงนั้นเหมือนกับใบมีดกับชิ้นงานไม่ได้ไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งนะไม่ได้ไว้ที่ชิ้นงานอย่างเดียวหรือไม่ได้ไว้ที่ใบมีดอย่างเดียวคือชิ้นงานบางทีมันใหญ่เราก็ไม่ได้เอาไว้ที่ชิ้นงานทั้งหมดส่วนอื่นๆใบมีดบางทีมันยาวเราก็ไม่ได้เอาไว้ที่ปลายใบมีดต้นที่โคนใบมีดกลางใบมีดหรือเอาไว้ที่ปลายใบมีดแต่เอาไว้ที่จุดสัมผัสตรงนั้นจุดสัมผัสตรงนี้แหละ เป็นสิ่งที่เราจะลองทราบเราไม่ได้เอาจิตของเราไว้ที่จมูกเราไม่ได้เอาจิตของเราไว้ที่ลมแต่เราเอาจิตของเราไว้ที่สัมผัสตรงนี้สัมผัสตรงนี้ระหว่างจุดที่มีการสัมผัสของลมกับการรับรู้ของโพรงจมกูกไม่ได้ใช่ไหมลองหายใจแรงๆสักสอถึงสครั้งหายใจแรงๆสัก2 3ถึ ง, งสครั้งเนี่ยจะทำให้เรามารับรู้ได้ว่าเออลมหายใจของเราสัมผัสตรงนี้นะ รับรู้ได้แล้วยังไงรับรู้ได้แล้วก็เอาจิตของเราเนี่ยไว้ที่ตรงนั้นเลยอย่าให้หนีไปที่อื่นนะบางคนอาจจะถาวมว่าแล้วมันกี่ตารางมิลลิเมตรละ่ะตรงนั้นเนี่ยกี่ตารางเนื้อที่กี่ตารางมิลลิเมตรหรือกี่ตารางเซนติเมตรที่ฉันจะเอาความรู้สึกของฉันไวที่ตรงนั้นรู้สึกเท่าไหร่ก็เอาไว้ที่เท่านั้นรู้สึกเป็นบริเวณกว้างก็ไว้ที่บริเวณกว้างคือจิตของเราเนี่ยมันใหญ่มะมันใหญ่ก็ได้มันเล็กก็ได้มันกว้างขวางก็ได้มันละเอียดละออก็ได้ มันจะแผ่ไปครอบคลุมโลกธาตุก็ได้แต่บางทีเรารู้สึกสบายใจเหมือนไม่มีอะไรเลยไปนั่งอยู่ชายทะเลอย่างเงี้ยจิตเป็นจิตที่แผ่กว้างไปตลอดบางทีเราเห็นลูกของเราในรู้สึกมีความรักความเมตตาเป็นจิตที่แผ่กว้างไปตลอดแต่บางทีเราอยู่ในที่ที่ในขณะเดียวกันบางทีเราอยู่ในที่ที่โอ้ยมีแต่ความทุกข์ความอะไรเรายิ่งต้องอดทนสํารวมจิตอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยจิตของเราไม่ให้ออกไปในภายนอกอย่างนี้ก็เป็นจิตที่เล็กได้เช่นเดียวกัน เวลาเรามารับรู้ถึงสัมผัสเนี่ยรู้ได้เท่าไหร่ก็เอาที่ตรงนั้น่จะกี่ตารางเซนติเมตรกี่ตารางมิลลิเมตรไม่เป็นไรให้จิตเราอยู่ได้นะซึ่งขนาดของที่เราจะต้องมาสัมผัสเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้เคยบอกเลยว่าต้องเท่านั้นมิลต้องเท่านั้นเซนนะวัดมาจากปลายจมูกเข้าไป 3.5 ม mm, นะ้ามิลลิเมตรนั้นแล้วก็เลื่อนไปทางขวาอีก2เซนตรงนี้แหละเธอเอาจิตไว้ตรงนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะแต่เอาไว้จุดไหนที่มันจะ ทำให้จิตของเราสงบได้เอาไว้ที่ตรงนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าเคยยกพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งเปรียบเหมือนกับเวลาคนทำกับข้าวพ่อครัวแต่พ่อครัวที่เขาทํากับข้าวเนี่ยมีพ่อครัวอยู่สองคนทั้งสองคนเนี่ยก็ทําอาหารเลี้ยงพระราชานะครับอามาตของพระราชาเป็นพ่อครัวประจําวังว่างั้นเถอะทําอาหารมาอย่างดีมีซุปมีแกงมีขนมมี อุปกรณ์ทุกอย่างอาหารทุกอย่างเรียบพร้อมหมดมีรสชาติหลากหลายหมดทั้งเปรี้ยวเค็มเผ็ดมันหวานเผ็ดมากเผ็ดน้อยคืนก็มีหมดทุกรสชาตนะิหลายหลายอย่างพ่อครัวเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งปรากฏว่าคนนี้เขาไม่รู้จักสังเกตว่าเอพระราชาเนี่ยกินอาหารรสไหนชอบรสไหนมากตักอันไหนมากตักอันไหนน้อยชมอันไหนว่าอันไหนสังเกตไม่เปลี่ยนะไม่ได้ทําเครื่องหมาย หรือว่าสังเกตจานอาหารของเราอ๋อเก็บอาหารมาวันนี้อันนี้เหลือมาอันนี้เหลือน้อยเอ๊ออันนี้รสชาติเป็นอย่างนี้ไม่ได้เคยรู้ไม่ได้เคยจําไม่ได้เคยสังเกตเพร่อครัวคนนี้ก็จะไม่ได้ค่าจ้างรางวัลตามที่ควรจะต้องเป็นคือหแปลว่าพอสังเกตแล้วป ร, ปรับปรุงรสชาติอาหารของตัวเองเสิร์ฟอย่างที่ท่านชอบเอาอย่างที่ท่านไม่ชอบออกไปปรับปรุงอาหารลักษณะให้ really, มีความละเอียดรอประณีตมากขึ้นตามที่ท่านชอบก็จะไม่ได้คนนี้นะคนที่ไม่รู้จักสังเกต ấy, าาเก น, นี่ยก็จะไม่ได้ค่าจ้างรางวัล ตามที่ท่านปรารถนาในขณะที่อีกคนหนึ่งนะปรุงอาหารมาเหมือนกันเสิร์ฟกลับมาแล้วปรากฏเขาสังเกตรสชาติอาหารของตัวเองอ๋อนน อ, อันนี้เปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยอันนี้เค็มมากเค็มน้อยท่านชมอันนี้ท่านไม่ชมอันนี้รู้จักสังเกตแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรสอาหารของตัวเองอประเภทอาหารที่เสิร์ฟมาทําให้คนที่2เนี่ยได้ค่าจ้างรางวัลนะที่เหมาะสมเปรียบเหมือนกันภิกษุ2รูปใครก็ได้ มานั่งฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกให้มีสติอยู่ในกายมีสติอยู่ในเวทนามีสติอยู่ในจิตมีสติอยู่ในธรรมมีสติปัฏฐาน4ีสองคนนั่งทำเหมือนกันแป๊ะเลยคนหนึ่งปรากฏจิตไม่สงบฟุ้งซ่านคิดไปแสสายเพราะว่าไม่รู้จักสังเกตจิตตัวเองว่าจิตของฉันทําอย่างนี้แล้วมันสงบทําอย่างนี้ไม่สงบแล้วก็ไม่ทําอย่างที่สงบไปทําอย่างที่ไม่สงบก็จะไม่ได้จิตที่สงบ ในขณะที่คนที่สองรู้จักสังเกตวาระแห่งจิตของตนอ๋อทำอย่างนี้มันสงบทำอย่างนี้ไม่สงบเอางั้นอย่างนี้ไม่ทำทำอย่างนั้นดีกว่าที่มันจะสงบได้เราต้องเป็นผู้ฉล า, าดในวราระจิตของตัวเองท่านผู้ฟังฉล า, าดว่าอ๋อเราเอาจิตของเราไว้ตรงนี้มันสงบไว้ตรงนั้นมันไม่สงบเง้นเราจะไม่เอาไว้ตรงนั้นเราจะเอาไว้ตรงนี้ที่มันสงบสงบตรงไหนเอาตรงนั้น รู้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นจุดไหนที่จะสงบเอาจุดนั้นจุดนั้นเราสงบแล้วเราค่อยเอาจิตของเราไว้ที่ตรงนี้อยู่เรื่อยๆเข้าก็รู้ออกก็รู้ให้เป็นจิตที่มีเครื่องอยู่มีที่อยู่เอาตรงนี้แหละเป็นที่อยู่เอาทางเข้าออกของลมตรงนี้แหละเป็นที่อยู่เข้าก็รู้ออกก็รู้จะเป็นผู้ที่มีสติอยู่ในลมหายใจได้ ลมหายใจนี้ไม่เคยห่างจากเราเลยตั้งแต่วันที่คลอดพลวออกมาจากคันแม่พลุออกมาแล้วหมอตีตูดดูดน้ำคล้ำออกนั่นแหละหายใจไม่เคยหยุดเลยไม่เคยหยุดเกิน10นาทีหรอกอาจจะหยุดมีบ้าง5นาทีสิบห้านาที6นาทีแต่ไม่เคยหยุดเกิน10นาที20นาทีบางคนอาจจะเคยผ่านประสบการณ์ที่ใกล้ความตายหยุดหายใจมา15นาที20นาทีแต่ถ้าคุณยังหายใจอยู่ตอนนี้คุณมีสติได้ คุณนอนอยู่คุณก็มีสติได้เพราะอะไรเพราะสติมันไม่ได้อยู่ที่อะไรมันอยู่ที่จิตแค่เอาจิตของเรามาไว้ที่สัมผัสของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกอยู่อย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงรู้ที่ตรงไหนเอาลมหายใจของเราไว้ที่ตรงนั้นเข้าก็รู้ออกก็รู้รู้อย่างนี้จิตขอเราจะเป็นสมาธิรู้แล้วก็ทําจิตให้สงบด้วยรู้ว่าถ้าเราเอาไว้ตรงนี้มันจะสงบเอาไว้ตรงนั้น อาไว้ที่อื่นมันจะไม่สงบอย่าเอาไว้เอาไว้ตรงที่มันจะสงบได้จิตของคุณคุณต้องรู้เองเราไม่ใชงคุณคุณก็ต้องปรับได้เองจะหมูกคุณคุณก็ต้องรู้ได้เองว่าตรงไหนมันจะเป็นตรงนั้นเหมือนเวลาเราขับจักรยานเด็กที่เขาฝึกขับจักรยานบางคนเนี่ยอย่างเพื่อนอาตมาบางคนอายุ30กว่าแล้วขับจักรยานก็ไม่เป็นขีม่มอเตไซค์ก็ไม่ได้ไปไหนก็ตั้งนั่งรถรถเก่งก็ยังขับไม่เป็นเลยยังก็ต้องนั่งรถโดยสารหรือว่าว่ายนคนอื่นเขาให้เข้าไป ในขณะที่เด็กห้ 6, 6, 6, ขวบหกขวบเพิ่งเดินได้ใหม่ๆไปขับจักรยานมันไม่มีคู่มือการขับจักรยานหรอกมันไม่มีคนมาบอกสอนการขับจักรยานหรอกอาจจะมีคนแนะนําให้บ้างแต่เวลาจะขับจริงๆเนี่ยคุณต้องไปขึ้นเลยเดี๋ยวเขออ่านหนังสือก่อนนะขั้นที่หนึ่งเอาเท้าไว้ตรงนี้เอาเอาเบาะนั่งไว้ตรงนี้ขึ้นอย่างนี้มือจับอย่างนี้ไม่มีหนังสือบอกอย่างนี้ไม่มีหนังสือไปหาซือ้อตามแผนหนังสือไม่มี แผนที่จิตของเราเราต้องทราบแผนที่จิตตรงนี้พระพุทธเจ้าให้มาแล้วแต่การเดินทางในจิตของเราเราต้องทราบเองนะอาตมาไม่สามารถ เ, าเปิดแหกอกคุณออกมาเดินไปตามทางนี้นะปิดไปได้ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ทําไม่ไดนะ้ถ้าครูบาอาจารย์บางองค์ที่ท่านรู้วาระจิตท่านก็บอกได้อย่างมากที่สุดก็แค่ให้คุณทําอย่างนี้อย่างนี้อย่าทําอย่างนั้นอย่างนั้น แค่นั้นเองแต่ว่าใครทําอ่ะก็คุณนั่นแหละทําคุณนั่นแหละที่จะต้องมาเป็นผู้รู้เพราะผู้รู้ตรงนี้เป็นจิตของคุณเองแล้วเราถามว่าเราจะควบคุมตรงนี้ได้ยังไงควบคุมได้เหตุของวิญญาณคืออะไรเหตุของความรู้คืออะไรนั่นคือภาษาเราควบคุมที่ภาษาของเราให้ภาษาภาษาคือการกระทบคือการสัมผัสสัมผัสกระทบของอะไรของลมหายใจนี่แหละสัมผัสของของลมหายใจแล้วยังไง ให้เรามารู้อยู่ที่นี่รู้อยู่ที่เดียวเขาก็รู้ออกก็รู้รู้ว่าถ้าเมื่อเรามารู้อยู่ที่นี่แล้วจิตของเราจะสงบเป็นสมาธิเข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติจิตสงบตรงนี้แหละจะเป็นกำลังเป็นกำลังที่ทำให้จิตของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งฟันฝ่าอุปสรรคสิ่งใดมีความแตกแยกที่ไหนเราอดทนได้มีความต้องการที่ไหนเราสร้างสรรได้มีความช่วยเหลือทเราไปช่วยได้มีความ ต้องการแก้ปัญหายุทไหนมันพลันแปลออกมาเป็นความคิดสร้างสรรค์ได้นี่ค like ือลักษณะของจิต so ที่เป็นสมาธิเหมือนเวลาใต้ฝุ่นเนี่ยใครเคยเห็นทอร์นาโดเนี่ยที่มันหมุนติ้วติ้ติอยู่เนี่ยโอ้โหลมของมันเนี่ยแรงมากเป็นหลายร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงยิ่งใกล้จุดศูนย์กลางของมันเท่าไหร่นะคือยิ่งปลปลายออกไปเนี่ยห่างไปสัก 30- 30กิม10กิลเมตรเนี่ยความแรงของลมก็จะไม่มากเท่าไหร่มากพอสมควร ใกล้เข้ามาอีก5กิโลเมตรโอ้ยิ่งแรงมาก2กิโลเมตรยิ่งแรงมาก1กิโลเมตรยิ่งแรงมากหนึ่งร้อยเมตรโอ้โหแรงสุดๆเลยเป็นหลายร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง10เมตรโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยแทบจะอยู่ไม่ได้0เมตรเข้าไปที่ใจกลางของมันนิ่งสนิทนิ่งสนิทจิตของเราต้องเป็นอย่างนั้นเวลามีสิ่งใดภายนอกวุ่นวี่วุ่นวายแสบายฟุ้งซ่าน เรื่องราวบ้านเมืองปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นลูกเมีย婆ว่าคนนั้นคนนี้จะเอาอย่างนี้ญาติพี่น้องจิตของเราต้องนิ่งนิ่งอยู่ได้ด้วยการมีสตินิ่งอยู่ได้ด้วยลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอย่างเป็นธรรมชาติเครื่องมือเรามีอยู่แล้วแผนที่พระพุทธเจ้าให้มาแล้วเหลือแต่เราต้องเดินเราต้องอยู่ตามแผนที่นี้เดินยังไง ก็แค่มามีสติระลึกรู้ถึงลมหายใจที่อยู่ในจิตของเราอย่างเป็นธรรมชาติให้จิตของเรานิ่งอยู่ตรงไหนที่เรามารู้แล้วจิตของเราจะเป็นสมาธิได้เอาตรงนั้นเอาจุดที่รับรู้ถึงสัมผัสนั่นแหละหรือจุดที่รับรู้กลิ่นที่ผ่านเข้าออกอยู่จิตของเราที่เป็นอย่างนี้เราจะสามารถประชิญสิ่งต่างๆภายนอกได้แต่ประชิญกับเจ้านาย ก็กลายเป็นความนอบน้อมต่ําตนเผชิญกับพ่อแม่ก็เป็นกลายเป็นความกระตันยูกระตะเวทีเจอกับคนที่เราไม่ชอบเจอกับภาษาที่ไม่น่าพอใจคาําด่าก็กลายเป็นความอดทนได้เจอกับอาหารมื้อเดียวเราก็กินได้เจอกับอาหารสามมื้อห้ามื้อเราก็ไม่หลุ่มหลงไปตามเจอกับลูกเด็กเล็กแดงก็ประเด็นความรักความเมตตาเจอกับปัญหาที่ท้าทายในเรื่องการงานก็เป็นความคิดสร้างสารรค์ออกมาได้ เจอกับสิ่งต่างๆเขาคนขับรถปาดหน้าเราก็มีความกรุณามีความอุเบกขาอยู่ได้จิตแบบนี้แหละที่จะรักษาตัวเราไว้จิตแบบนี้แหละที่จะช่วยรักษาโลกจิตแบบนี้แหละที่จะทําให้เป็นธรรมที่มีอุปการะมากเป็นธรรมที่เรียกว่าจะพาเราผ่านพ้นวิกฤตทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวิกฤตหรอกมันก็แค่มาทดสอบว่าคุณมีสติไหมทดสอบว่า คุณจะรู้วาณะจิตของตัวเองในการที่จะวางจิตอย่างไรไหมถ้าเราสามารถเข้าถึงใจกลางของใต้ฝุน่นใจกลางของพายุใจกลางของจิตของเราได้แต่เป็นจิตที่สงบอยู่เป็นจิตที่ประพัดสอนไม่รุนเร่ไม่ไม่แสบสายหาเรื่องวุ่นวิบวุ่น ว, น ว, นวนายไม่ไหลไปตามการชุดกระชากลากดึงของสิ่งที่มากระทบแต่เป็นจิตที่มั่นคงเหมือนผู้เขาหินผู้เขาหินเวลามีลมเหนือใต้ออกตกเนี่ยมากระทบ เจอพายุฝนอย่างแรงกล้ามาทางทิศเหนือทิศใต้ทิ่ตวันออกทิศตะวันตกไม่สถเทือนภูเขาหินศิลาหินศิลาหมายถึงหินที่ไม่มีรอยแตกเลยนะทั้งแท่งทั้งก้อนเนี่ยเป็นภูเขาหินทั้งก้อนเนะี่ยมันจะไม่สถท้านสะเทือนวันไหวไปได้เลยด้วยลมโอ้ยลมจะไปทำอะไรกับภูเขาได้เหมือนการจิตของเราคนพูดมาใส่หูเรามันแค่ลมไม่มีอะไร คนเขาดูเราเนี่ยมันก็แค่กระแสะคลื่นมันมันก็ลมอย่างหนึ่งคลื่นก็เป็นลมอย่างหนึ่งก็ไม่มีอะไรจิตของเราอยากให้ไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นให้เป็นอย่างผู้ผาหินผู้เขาหินเมื่อมีสิ่งใดมากระทบแล้วให้นิ่งอยู่ในภายในจะนิ่งอยู่ในภายในได้จิตคุณต้องมีเครื่องอยู่เอาลมหายใจของเราเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ให้จิตเป็นเสาเขื่อนเสาหลักที่ถ้าเราผูกจิตของเราไว้ที่นี่แล้วจิตขอเราจะเป็นดั่งผู้ผาหิน ไม่ไหลไปตามสิ่งภายนอกให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายลองปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติไปปฏิบัติไปทุกๆวันฟังรายการธรรมารับปรุณไปด้วยในวันนี้ทุกๆวันนั่นแหละก็จะเป็นเนื้อหาของการปฏิบัติแต่ในวันนี้ก็จะเน้นเป็นพิเศษในเรื่องที่ให้หลับตามีลมหายใจรู้ถึงลมหายใจอยู่วิธีการปฏิบัติเบื้องต้นที่เมื่อทําแล้วจิตของเราจะสงบได้เราไม่ได้ยากอะไรเป็นสิ่งที่สามารถทําได้ทุกเวลา ตลอดเวลาจ้าใครจะบอกว่าฉันเป็นผู้ที่มีกิจการงานมากมีภาระรับผิดชอบสูงนะไม่มีเวลาไปทําสมาธิหรอกแต่คุณคิดผิดเพราะเมื่อไหร่ที่คุณมีลมหายใจนั่นแหละคุณมีเวลาแล้วยิ่งถ้าคุณมีความรับผิดชอบมากมีหน้าที่การงานมากจิตคุณยิ่งต้องมีพลังมีกําลังในการที่จะแก้ปัญหารับผิดชอบหน้าที่การงานเหล่านั้นสมาธินี่แหละจะช่วยคุณได้ที่จะทำให้คุณฟันฝ่าอุปสรรครับผิดชอบหน้าที่การงานรู้ ลีกรู้หลบรู้แก้ไขได้ตรงนี้จึงต้องมีกําลังจิตกำลังจิตไม่ได้มาจากที่ไหนนอกจากในภายในไม่ได้มาจากภายนอกเราอาตมาไม่สามารถเอาสมาธิให้ท่านทั้งหลายได้นอกจากท่านตัลายจะต้องทําเองธรรมนิยมเป็นสิ่งที่รู้เองเห็นเองได้แค่เรามามีสติอยู่ในลมหายใจใยิ่งจะต้องทําอยู่ตลอดเวลาอยู่ในรถระหว่างเดินทางไปที่ทํางานอยู่บนรถเมลระหว่างรอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรามามีสติในลมหายใจเมื่อไหร่ปั๊บเมื่อ น, นั้นแหละเราเพิ่มพลังให้จิตของเราจิตเรามีกําลังมากขึ้นทําบ่อยๆทําซ้ําๆทําย้ำๆทําเรื่อยๆทําทุกๆวันทําวันละหลายๆครั้งทําวันละนิดๆนี่ไม่ต้องเอามากเช้า3นาทีสายอีก5นาทีเอารอรถเมล์ได้อีก10บนาทีเอานี่กินข้าวอยู่รออาหารมาส่งได้อีก15นาทีทําไปทําไปวันๆหนึ่งมันเป็นชั่วโมงนะ ไอ้เวลาที่เรานิ่งอยู่เฉยวเวลาที่เราไม่ได้อะไรเรามาเลืเลือกถึงลมใจเนี่ยเรามารวมวันละนิดวันลหน่อยวันละนิดมาละหน่อ ย, อยเป็นชั่วโมงนะเวลาน้ํามันท่วมเนี่ยมันไม่ได้มาทีเดียวเป็นหลายๆลล้านลูกบาทเมตรนะมันมาวันละนิดมันไม่ได้มาจากอะไรนะมันมาจากฝนนะฝนตกทีละเท่าไหร่ทีละเม็ดทีละเม็ดมันตกหลายๆวันเข้ามันตกบริเวณกว้างมากเข้ากลายเป็นน้ําท่วมได้เหมือนกันเราทําวันละนิด มันไม่ได้อะไรมากนับทีละหนึ่งนับทีละลมหายใจลมหายใจออกลมหายใจเข้านับทีละหนึ่งนับทีละหนึ่งคนจะมีเงินร้อยล้านพันล้านเนี่ยเขาับทีละหนึ่งนะถ้าคุณไม่นับจากหนึ่งไปเนี่ยมันจะเป็นล้านได้ยังไงล่ะถ้ามันจะมีล้านมาได้มันต้องมีหนึ่งมาก่อนจะมีสองได้มันก็ต้องมีหนึ่งมาก่อนจะมีสามได้มันก็เอาหนึ่งมารวมกัน3ครั้งอะ่ะเพราะนั้นเรานับทีละหนึ่งับไปเรื่อยๆจิตของเราจะเป็นสมาธิได้ทำไปเรื่อยๆทําละนิดละหน่อยทําไปอย่างนี้แหละถูกต้้้องแลวเพราะะฉนนั ในการปฏิบัติของเราให้ทำอยู่เรื่อยๆถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเกียนมาถามได้เพียวธรรมะ .com p-u-r-e-d-h-a-m-m-a หรือว่าไปสะดวกทางจ ด, จดหมายก็มาที่เกียนมาที่รายการธรรมะประดุลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางถนนวิตรภาพดีรังสิตแล้วก็ดินแดงกรุงเทพหน0่งศถ้าได้รับข้อมูลต่างๆอะไรก็จะมาคุยให้ฟังในวันต่อๆไป วันนี้รายการธรรมระบรุ่นก็จะต้องจากลาไปก่อนแล้วก็มาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้เริญพอ